สองสามวันก่อนได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้แนะนำตัวด้วยว่าเป็นใครคงได้เบอร์โทรศัพท์มาตั้งมาจากใครสักคนนะนะอาจจะได้จากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนออ น, นะเจาทางเธอมีความทุกข์มาก คุยได้ไม่นานเธอก็ร้องห่มร้องไห้เป็นความทุกข์ของแม่นะเพราะว่าลูกซึ่งอ่าเป็นวัยรุ่นไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการเรียนแม่ก็พยายามที่จะกวดขันตักเตือนตอนหลังก็ว่ากล่าวลูกก็ ก็ยังยืนกลานหรือว่ายังดื้อดึงปล่อยชีวิตไปตามสบายทั้งที่ใกล้จะเข้าเหมาเทลายแล้วแล้วก็วันหนึ่งก็เกิดมีปากเสียงกันเธอคงจะลืมตัวก็คงจะเข้าไปเพื่อที่จะตีหรือว่าทำอะไรสักอย่างกับลูก แต่คราวนี้ลู ก, กเกิดสู้ขึ้นมาเธอก็เสียใจแล้วก็ตกใจมากว่าลูกไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็คือว่าคงจะไม่เคยต่อสู้หรือว่าใช้กําลังกับแม่มาก่อนใช้กําลังในที่นี้คงจะหมายถึงการยืดหยุดนถกชาติกันนั่นนะเสียใจมากนะก็เลยเหมือนกับว่า ทั้งรู้สึกผิดหวังในตัวลูกแล้วก็ล้มเหลวในความเป็นแม่แลกลุ่มอกกลุ่มใจหาทางออกไม่เจองานการก็ทำไม่ได้เลยนะเพราะว่ากลุ่มใจแต่เรื่องลูกนี่แหละเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปาหาที่พึ่งจากใคร ก็เลยโทรศัพท์มาปรึกษาทนนีแรกก็ให้เธอเล่านะให้เธอเล่าเธอระบายมากกว่าเพราะว่าทาไมก็ไม่รู้จักทั้ง2องคนนะคือไม่รู้จักทั้งแม่แล้วก็ไม่รู้จักรุลูกแล้วคิดว่าการที่ให้เธอได้ระบายได้พูดได้เล่าเนี่ยแค่ฟังอย่างเดียดนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่าคนเราเวลาทุกข์ บางเรื่องก็ไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครอาจจะคุยกับสามีได้บ้างซึ่งตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วก็คงจะช่วยได้บ้างแต่ว่าก็ถ้ามีใครสักคนที่จะฟังได้ทุกเรื่องนะที่เป็นความทุกข์นะก็คงจะช่วยได้ความทุกข์ของแม่เนี่ยนะ มันก็เริ่มต้นมาจากความคาดหวังในตัวลูกแล้วก็คาดหวังในตัวลูกว่าอยากให้ลูกสอบเข้าหมหาวทยลัยให้ได้จะทาเช่นนั้นได้ลูกก็ต้องขยนันต้องมีระเบียบวิ น, นัยนะจะต้องไม่ทะเลทลหลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกนะเป็นอย่างที่ตัวเองคาดหวังแล้วก็กาการเอาไว้ก็คือตีกรอบลูกนะ แล้วก็ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ลูกเนี่ยตั้งใจเรียนนะไม่เอาเวลาไปเที่ยวไปเล่นหรือว่าไปาทเลถลายซึ่งธรรมดาของวัยรุ่นนะก็ย่อมไม่พอใจโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยจริงทุกยุคทุกสมัยนะเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาแล้วก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากวัยอื่น เดี๋ยวนี้เขาก็พบแล้วว่าสมองของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นสมองที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เหมือนกับเด็กด้วยในแง่ที่มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทําให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยขาดความยัย่งยืนช่างใจแล้วก็การทํา ง, งานของสมองบางอย่างเนี่ยคล้ายๆกับคนที่จะเรียกว่าเป็นโรคจิโาาตโรคประสาทอ่อนๆก็ได้ อันนี้พูดให้มันแรงๆนะแต่ว่าเขาพบว่ามันมีอาการแบบนั้นเหมือนกับว่าเป็นมนุษย์พันหนึ่งเลยนะที่มีการทำงานของสมองเนี่ยแตกต่างจากเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มันเป็นช่วงการกค่อยๆกำลังสร้างสร้างสร้างสร้างเครือข่ายสมองขึ้นมาซึ่งผลข้างเคียงคือว่า ความยังช่างใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะง่ายต่อสิ่งเยา้ายวนนะทั้งทั้งที่รู้ว ม, มันไม่ดีนะแต่ว่าก็ห้ามใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยุคใดสมัยใดนะตัตมาก็เคยผ่านภาวาะเช่นนั้นมาแล้วนะแล้วก็พวกเราทุกคนนะก็เคยผ่านภาวาะเช่นนั้นมาแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ จ, จะไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็มีความอธิบาย ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงทางสมองแต่ก็ไม่ได้พูดอธิบายให้คุณแม่คนนั้นฟังอย่างนั้นนะนะเพียงแต่เชื่อหเห็นว่าความทุกข์ของของคนเป็นแม่เนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่มีความคาดหวังบางอย่างแล้วก็พยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ความคาดหวังนั้นเนี่ยมันเป็นจริง ซึ่งในกรณีนี้ก็คือการสอบเข้ามห า, ายทยาลัยได้และจะสอบเข้าให้ได้ก็ต้องขยนขันขันแข็งต้องมีระเบียบวิ น, นัยก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นอย่างนั้นลึกๆแม่ก็กลัวนะว่าลูกจะสอบเข้ามายทยาลัยไม่ได้ไอความกลัวนี้ยิ่งทำให้ต้องบีบขั้นเขี้ยวเข็นกดดันลูกก็เลยพูดกับแม่เขาซึ่งตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย อาตมาแนะนำไปยังไงก็ไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าก็เลยพูดเป็นข้อๆไปเลยข้อหนื่งคือว่าเขาทำได้ไหมที่จะพร้อมยอมพร้อมที่จะรักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามไม่ว่าเขาจะสอบเข้าหมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ได้นะพร้อมจะรักเขาไหมคือพร้อมจะรักตัวเขานะอันนี้พูดงี้เพราะว่า บางครั้งคนที่เป็นแม่เนี่ยก็จะไปให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาทยาลัยของลูกจนลืมตัวลูกไปไม่เหมือนกันนะให้ความสําคัญกับการสอบเข้ามัาทยาลัยของลูกจนลืมให้ความสําคัญกับลูกเพราะฉะนั้นพอมีแนวโน้มสัญญาณว่าลูกจะสอบเข้าไม่ได้หรือว่าเป็นการมโนของแม่เนี่ยก็จะเกิดอาการวิตกกังวลกระวายบางที่เกิดอาการแพนิคเลยแล้วก็ทําทุกอย่าง นะกับลูกแม้กระทั่งดุด่าว่ากล่าวจนลืมจนลืมตัวลูกไปอันนี้เป็นเป็นมากนะก็เป็นกับคนทุกคนนะ่ะบางทีเราให้ความสำคัญกับไปให้ความสาคัญกับวิธีการมากกว่าจุดหมายหรือไปให้ความสาคัญกับสิ่งที่มันเป็นเปลือกมากกว่าตัวแก่นเมื่อคนที่้ายๆก็ต้องการความสุข แต่ว่าไปไปมาก็ไปให้ความสำคัญกับเงินไปให้ความสำคัญกับเงินไปให้ความสําคัญกับทรัพย์สมบัติทั้งทั้งที่เงินหรือทรัพย์สมบัตินี่มันก็เป็นเพียงแค mm ่ hmm. อุปกรณ์ไปสู่ความสุขแต่มันก็อาจจะไม่ใช่นอุปกรณ์เดียวที่จะไปถึงความสุขก็ได้ท่านี้เนี่ยแม่ก็อยากจะให้ลูกมีความสุขนะแ ล, ะล้วคิดว่าการสอบเข้ามัาทยาลัยของลูกเนี่ยจะทําให้ลูกมีความสุขแต่ว่าบางทีก็ไปให้ความสําคัญกับการสอบเข้มามหาวิทยาลัยของลูกจน สร้างความทุกข์ให้กับลูกหรือจนละเลยความสำคัญของลูกไปนะก็เลยพูดอย่างนี้เพื่อเตือนสติว่าเนี่ยเราพร้อมจะรักเขาไหมไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะสำเร็จหรือล้มเหลวในการเรียนถ้าหากว่าทำให้ลูกเห็นว่าเราพร้อมจะรักเขาไม่ว่าเขาจะสำเร็จหรือล้มเหลวนะถึงเวลาที่เขาล้มเหลวเขาก็ยังรู้ว่า เขามีที่พึ่งอย่างน้อยก็คนหนึ่งแล้วก็คือแม่ที่พร้อมจะโอบ ก, กอดเขานะหรือว่าอ้าแขนต้อนรับเขาเพราะมีมันมีคนจํานวนมากเลยที่สอบเข้าหมหาลัยไม่ได้ด้วยความปังเพลือด้วยความประมาด้วยความทะเลทลายทั้งที่พ่อแม่ก็เตือนแล้วนะเคี่ยวเข็นดุดาว่ากล่าวแล้วก็ยังดื้อดืดดึงเสร็จแล้วพอสอบเข้าหมหาลัยไม่ได้ก็รู้สัว่าตัวเเป็นคนล้มเหลว ไม่กล้าซูน้าพ่อแม่รู้สึกว่าตัวจะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจในสายตาพ่อแม่ทาให้พ่อแม่อับอายบางทีคนเหล่านี้เขาก็ตัดสินใจนะทำร้ายตัวเองซะเลยพาอไม่รู้จะไปหาใครแล้วอาจจะฆ่าตัวตายหรือว่ากระเซิงไปที่อื่นแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะถึงแม้เขาจะผิดพลาดไปล้มเหลวไปแต่ก็ยังมีแม่ คนนึงละนะที่พร้อมจะรักเขาแล้วก็ยอมรับเขาทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นเขาก็จะมีโอกาสแก้ตัวและที่จริงแล้วเนี่ยถ้าการที่พ่อพ่อหรือแม่ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันจะช่วยทําให้การกดดันลูกเนี่ยมันไม่สุดโต่งไปจนกระทั่งไปลืมละเลยตัวเขาไปให้ความสำคัญการสอบเข้ามาาหาวทยลัยแทน ให้ความรักลูกนะมันก็ดีนะแต่ว่าบางทีไปรักลูกจนกระทั่งไปยึดติด ก, กับบางสิ่งบางอย่างจนละเลยความสำคัญกับตัวลูกไปอันนี้ก็เหมือนกับลูกที่ดูแลพ่อแม่นะหลายคนก็อยากจะให้พ่อแม่มีอายุยืนเช่นพ่อแม่ป่วยก็อยากจะให้พ่อแม่เนี่ยมีอายุยืนยาวก็พยายามดูแลพ่อแม่ให้มีอ่ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของหมอเช่นควบคุมอาหาร ไม่กินหวานไม่กินเค็มนะไม่กินไขมันเช่นหมูพผโลนะซึ่งก็ดีนะแต่พอพ่อแม่เผลอกินเข้าไปลูกจับได้นี่ลูกก็ด่าว่าแม่อย่างแรงนะอันนี้พอไปให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพหรือการควบคุมอาหารของพ่อแม่จนลืมให้ความสําคัญกับตัวแม่ไปหรือตัวพ่อนะมันไม่เหมือนกันนะนะแต่ว่าพอพอเราไปให้ความสําคัญกับการดูแล กับการที่พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทําตามคําสั่งของหมอควบคุมอาหารตามคำแนะนําของหมอพอไปเอาตรงที่เป็นจุดหมายเนี่ยมันก็ละเลยการที่จะให้ความสําคัญกับพ่อแม่หรือให้ความสําคัญตัวเขาก็เลยดูด่า ว, ว่ากาแล้วก็ได้หรือทําแล้วก็ตามเพื่อให้เขาทําตามอย่างที่หมอแนะนําก็กลายไป็ว่าเกิดปัญหาขึ้นมา พ่อแม่ก็เสียอกเสียใจที่ลูกดูด่ า, าว่ากล่าวลูกก็รู้สึกผิดนะเสร็จแล้วพอสุขภาพจิตทั้งสองฝ่ายแย่ลงนะสุขภาพกายก็แย่ลงตามไปด้วยอันนี้ก็บอกแม่คนนี้ว่าเนี่ยเราทําได้ไหมเนี่ยเราพร้อมจะรักเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่ว่าเขาจะสําเร็จหรือล้มเหลวนะประการที่2คือให้มีความหวังในตัวลูกนะแต่ว่าอย่าคาดหวัง เวลาเรามีความหวังในตัวใครเนี่ยนะคนนั้นเขาจะรู้สึกดีมากเลยถึงแม้ว่าเขาจะเรียนไม่เก่งเขาจะเก่งมเมื่อรเกเรแต่ถ้าคนรอบข้างให้มีความหวังในตัวเขาเนี่ยมันจะช่วยปลุกพลังบวกขึ้นมาในตัวเขาเป็นใครก็ตามนะโดยว่าคนที่ถูกสังคมเยยดยม้มเพราะว่าเรียนไม่เก่งเพราะว่ า, าประพฤติตัวเกเร แต่ถ้ามีใครสักคนโดวยว่าคนที่เขารักเนี่ยมีความหวังในตัวเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นมาได้ไอความหวังที่เรามีกับเขาเนี่ยมันจะไปปลูกพลังบวกขึ้นมาในใจเขาทำให้เขาเกิดเกิดแรงขึดสู้ขึ้นมาเอาชนะความฝ่ายต่ำได้อันนี้มันมีตัวอย่างเยอะมากนะคุณทิชาณ น, นครเนี่ยเป็นผู้อำนวยการบ้านการจนะพิเศษซึ่งรับเอาเด็กที่เหลือขอที่เป็นฆาตกร ก, ารก็มีนะ เป็นขมโมยก็มีพวกนี้เนี่ยใกลยะพ้นโทษและหลังจากที่อยู่สถานพินิษมาระยะหนึ่งเยวาวชนนะไม่ได้อยู่ในคุกนะต้องอยู่ในสถานพินิษฐ์คดีอุกชะกันเนี่ยพอกลอยะพ้นโทษอีกสอปีหรือว่าสีหปีก็จะให้ไปอยู่บ้านการน์พิเศษแล้วกค็คุณที่ชาก็สามารถจะเปลี่ยนเด็กเหล่านี้เนี่ยเยว า, าวชนเหล่านี้ให้กลายเป็นคนที่เป็นคนใหม่ขึ้นมา น้อยคนเปอร์เซ็นต์น้อยมาที่จะหวนกลับไปทำทำผิดหรือว่ากอ่ออาชญากรรมหรือกอ่อคดีอีกซึ่งต่างจากนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวนะที่เป็นผู้ใหญ่นะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะกลับเข้าไปอยู่ในคุกใหม่แต่ว่าเด็กที่บ้านการเจริพิเศษเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้เคล็ดลับของคุณที่ช้าคืนนี่แหละให้มีความหวังในตัวเด็กนะแต่อย่าคาดหวัง คาดหวังนี่หมายความคาดหวังเนี่ยมันมันจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตัวเด็กอย่างแม่คนนี้ก็มีความคาดหวังว่าลูกจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้นะแล้วเพอเพาอาจารย์มีการกักเกณฑ์หรือว่าจะให้เข้ามหาวิทยาลัยในคณะอะไรเพอเพอกำหนดอาชีพไว้ให้เสร็จนะมีความคาดหวังพอมีความคาดหวังก็ไม่เกิดแรงกดดันคนเราเนี่ยพอถูกแรงกดดันเข้าก็รู้สึกอึดอัดและยิ่งตัวเองเนี่ย ตัวลูกมีความคาดหวังแ ต, แตกต่างจากแม่เนี่ยนะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัยที่แตกต่างกันบางอย่างที่พ่อแม่ถือว่าเป็นของดีเป็นคุณค่าที่ดีลูกอาจจะไม่มีความคิดแบบนั้นก็ได้เช่นรุ่นอตาตมานเนี่ยนะก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความขยันความมีวิ น, นัยนะเราถูกฝึกมาถูกสอนมานะว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบุญญา ต, ต่อยาย หือเพราะคนจีนเนี่ยเสืบผืนน้อนใบมาจากเมืองจีนแล้วเขาเขาเก็บหอมรอมริบเขามีความอดทนมีความขยันมีวิญัยนะอันนี้เป็นค่านิยมที่เราถูกฟูมฟักมานะแล้วหลวงพ่อยู่ยคนนี้คงได้รับค่านิยมนี้มาเนี่ยนะแกก็บอกว่าสมัยว่าว่าตัวเองเนี่ยเห็นเลยนะว่าคือเธอไม่เข้าใจทําไมเด็กสมัยนี้ไม่ ไม่มีความอดทนไม่เห็นความสำคัญของการมีวินยัยในตัวเองก็บอกเขาว่ามันคนละรุ่นแล้วนะคนรุ่นคนรุ่นลูกเนี่ยเขาก็มีข่้นนิยมอีกแบบหนึ่งเช่นเขาอาจเชิดชูเรื่องความคิดสร้างสรรค์การมีเสรีภาพการคิดนอกกรอบนะจะไปให้เขามาคิดเหมือนเราชื่นชมขั้นนิยมแบบเราซึ่งเป็นคนรุ่นพ่อเนี่ยมันมันยากแล้วพราเกิดคนละยุคสมัย อย่างลุ่นเราเนี่ยลุ่นตมานเนี่ยนะเวลากินข้าวเนี่ยต้องกินให้หมดนะไม่ให้เหลือข้าวซักเม็ดเลยนะแต่สมัยนี้เนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องกินข้าวจนไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่อะไรๆก็มีได้ง่ายเป็นลูกบริโภคนิยมทุกอย่างมันมีมากล้นเหลือเฟือนะไม่เห็นความจะเป็นการอดออม หรือเก็บหอมรอมรรกไม่มีความจะเป็นของการอยู่แบบเรียบง่ายมายัธยัอันนี้เป็นเป็นเรื่องคนคนลคนล ย, ยุคนละสมัยความดีหรือว่าเด็กดีในยุคของของเขากับเด็กดีในยุคของของคนรุ่นนี่มันก็ต่างกันอารมาก็เตือนว่าเนี่ยดีของเรากับดีของเขามันก็ไม่เหมือนกันนะให้เขาเติบโตในวิถีของเขาอย่าไปคาดหวังให้เขาเติบโตในวิถีของเรา หรือในแบบของเราพอท้าเราคาดหมายเขาเตอบตัวในแบบของเราเป็นคนดีในแบบของเราก็จะผิดหวังเพราะ น, นั้นให้มีความหวังเถนะิดแต่อย่าคาดหวังความหวังเนี่ยมันช่วยปลุกพลังบวกในตัวเด็กแต่ถ้าคาดหวังเนี่ยมันจะทำให้เขาอึดอัดและเกิดพลังลบขึ้นมาต่อต้านก็ได้แล้วการที่สามคือว่าให้รู้จักวางนะวาง วางเด็กวางลูกออกไปจากใจบ้างนะหรือว่าวางวางลูกเนี่ยออกจากหัวบ้างนะมันไม่ใช่ว่าคนที่รักลูกเนี่ยจะต้องคิดถึงลูกตลอดเวลาห่วงใยลูกตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นปัญหาของแม่ของลูกที่ดูแลพ่อแม่เหมือนกันนะก็มีลูก คนนึงก็มาปรึกษาเนี่ยกุ้มใจมากนะดูแลพ่อแม่ดูแลดูแลแม่มาสิบกว่าปีแล้วเครียดมากเลยเวลาจะเวลาจะมอบหมายให้ใครดูแลแทนก็วิตกว่าเขาจะดูแลได้ดีเท่าเราไหมนะเวลาจะไปนอนก็ห่วงแม่เวลาจะไปเที่ยวเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศ ก, าก็ก็ห่วงนะ ว่าคนที่ดูแลแทนเรานี่เขาจะดูแลดีไหมเนี่พราะคิดแบบนี้นะก็เลยเครียดแล้วก็ทอ้อจนบางทีก็รู้สึกไม่ไหวไม่ไหวแล้วบางช่วงขนาดก็เกิดความคิดว่าอยากให้พ่อแม่อยากให้แม่นี่จากไปเร็วๆพูงง่ายคืออยากให้แม่ตายเร็วๆตัวเองได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมารแบบนี้นะมันสวิงนะจากความรักแม่ชนิดที่ว่าห่วงแม่ ทุกวินาทีเลยนะกลายเป็นว่ามันสวิงกลับไปกลายเป็นอยากจะให้แม่เนี่ยตายเร็เรวๆมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์นะเป็นวูบอารมณ์จะถือสากับอารมณ์แบบนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ไม่จะเกิดขึ้นกองคนที่ห่วงนะห่วงจนกระทั่งไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะพอไม่ปล่อยไม่ยอมวางมันก็จะสวิงกลับนะกลายเป็นว่าอยากให้แม่ตายเร็ว<ๆ>เกิดความคิดอกุศลขึ้นมา มันเป็นธรรมชาติของจิตนะเป็นอย่างนั้นแหละงั้นก็เลยแนะนำว่าเนี่ยให้เขาวางลูกออกไปจากใจบ้างเวลาทำงานก็ใจอยู่กับงานยังไม่ต้องนึกถึงลูกเวลาจะนอนเวลาจะพักก็ให้วางลูกออกไปจากใจบ้างนะเวลาจะไปกินอะไรก็ให้ใส่ใจอยู่กับการกินนะวางลูกออกไปจากใจบ้างนะใจจะได้พักแล้วก็จะได้ไม่มีอารมณ์บูดอารมณ์เครียดถึงเวลา อยู่กับลูกก็อยู่ด้วยใจเต็มร้อยไม่ต้องเอางานเข้ามาวางงานออกไปจากใจอยู่ด้วยใจที่อยู่กับลูกด้วยใจที่สดที่ใหม่ก็ให้คํำแนะนาเข้าไป3ข้อนะซึ่งก็คิดว่าสําหรับแม่หลายคนเนี่ยถ้าทํา3ข้อนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เขานะสามารถจะรับมือกับปัญหาได้เพราะ ป, ปัญหาจริงเนี่ยนะ มันไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกมากเท่ากับใจของคนเป็นแม่ปัญหาของลูกจริงมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เท่ากับใจของแม่ใจที่วางไว้ผิดนะถ้าวางไว้ผิดแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นจริงการที่ลูกจะสอบข้อหมาไไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอาตมาก็เจอคนมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมห้องแล้วก็ คนรุ่นหลังนะที่เขาก็ไม่ได้เรียนจบหมหาวิทยาลัยแต่เขาก็มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะวัดด้วยความสุขความสําเร็จหรือว่าด้วยเงินทองเพื่อหลายคนก็ตอนที่สอบเข้าหมหาวิทยาลัยไม่ได้ก็ออกเสีย อ, อกเสียใจทั้งที่เป็นคนเรียนเก่งสุดท้ายก็ต้องก็ไปเรียนลามไปประมาณนี้กลับมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ากว่า เพื่อนๆที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยซ้ำเพื่อนบางคนที่ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เลยนะหลายคนก็ร่ำรวยนะกว่าเพื่อนที่จบหมอเพื่อนที่จบวิศวะซะอีกนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสตีฟจ็อบหรือว่าบนะิลเกนเอาคนไทยมากมายนะที่ก็ไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนก็ไม่สูงนะแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะวัดจาก ครอบครัวที่ผาสุขหรือว่าชีวิตที่สำเร็จนะวัดด้วยเงินด้วยทองก็ได้เดี๋ยวนี้เราไปให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนในระบบนะโดยเฉพาะหมหาเทไหลเรื่องของปริญญาบัตรแล้วมันก็ทำความทุกขให้กับผู้คนมากทำความทุกข์ ก, กับพ่อแมนะ่พอลูกสอบเข้ามาใช้ไม่ได้จะกลุ้มใจตอนนี้ก็มีแม่หลายคนก็มาปรึกษาตมาเรื่องนี้แหละ ห่วงลูกว่าจะสอบเข้าหมหายาลัยไม่ได้หมหายาลัยเมืองไทยบ้างหมหาาลัยไรไรเมืองนอกบ้งเสร็จแล้วก็ไปลบลาไปลาวีกับลูกเนะีเสร็จแล้วก็สุดผิดหวังในตัวลูกผิดหวังในตัวเองบางคนก็ท้อแท้ลูกก็แย่นี่เพราะเราไปให้ความสําคัญนะกับการเรียนเข้าหมหายาลัยมากกว่าให้ความสําคัญกับตัวลูกนะถ้าเราเอาลูกเป็นอันดับหนึ่งนะการเรียน เข้าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นอันดับ2 อ, อันดับ3เนี่ยมันจะไม่เกิดเรื่องทะเลาะบอกแหวนในขนาดนี้ยังไงก็ต้องรักลูกไว้ก่อนนะถ้าเข้าได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยังรักเขานะยังพร้อมจะให้กําลังใจเขาพร้อมจะสนับสนหนเขาพูดง่ายคือว่าให้ให้วางความคาดหวังนะในตัวลูกลงหลายๆอย่างก็จะดีขึ้นน่าจะมาเคยเจอเพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันมาตั้งแต่ ท่านประถมนะก็เรียกว่าครบ ก, กันมา5้าิปีไปเจอกันในงานศพของพ่อเพื่อนเขาเห็นหน้าเขาก็มามาหาแล้วก็มาขอบคุณขอบคุณเรื่องอะไรบอกขอบคุณเพราะว่าเขาได้ฟังคำบรรยายองตัต ม, มานะไม่ล้วนใน YouTube หรือว่าในในเสียงที่เป็นเสียงาอาตมาพูดถึงแล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเรานะไม่ว่า ทรัพสมบัติหรือว่าร่างกายนี้เพราะถ้าเป็นของเราเราก็สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้แต่เราก็สั่งไม่ได้สักอย่างลูกก็เหมือนกันนะเขามาจากเรานะีแต่เขาก็ไม่ใช่ของเรามันมีคำพูดว่าเราเลี้ยงรู้ได้แต่ตัวแต่ว่าจิตใจเราไม่สามารถจะควบคุมได้จริงๆคาว่าเลี้ยงได้แต่ตัวก็ยังไม่ถูกนะ เพราะว่าพ่อแม่อยากจะให้ลูกอ้วนบางทีลูกก็ไม่อ้วนพ่อแม่อยากจะให้ลูกผอมลูกก็ไม่ผอมลูกมันดันอ้วนนะเลี้ยงแต่ตัวก็ยังเลี้ยงไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวของลูกไม่ใช่ตัวของเราเขาก็ได้คิดนะช่วงนั้นเนี่ยเขามีปัญหากับลูกนะเพราะว่าลูกเขาก็เป็นวัยรุ่นนะอยู่ชั้นปีหนึ่งปี2ไม่ค่อยสนใจการเรียนตรงข้างกับพ่อนี่พ่อนี่เป็นตั้งตอนเป็นนักเรียนก็ขยันเรียนเป็นเด็กเรียนเก่งนะ ยิงอยู่โรงเรียนตามาเนี่ยสำชันนี่เขาเข้มงวดมากระเบียบระเบียบวิ น, นัยแล้วก็เขาก็เรียนได้หมหาทัย ไ, ได้คะแนนดีไปเรียนต่อเมืองนอกก็ประสบความสําเร็จกลับมาประกอบธุรกิจก็ธุรกิจก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับพันล้านนะแต่พอมาเจอลูกนี่ก็ผิดหวังนะลูกไม่เอาทานเลยก็พยายามพยายามก็ต่อว่าลูกนะ ลูกก็ต่อต้านเกิดความตึงเครียดจนเกิดความเฮินห่างหมางเมินพ่อก็ได้ฟังที่อรรมาพูดเขาก็เลยเอาไปปรับใจดูให้ลูกไม่ใช่ของเราผ่านไปไม่กี่เดือนนะลูกวันหนึ่งลูกก็มาบอกเขาว่าเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปนะอย่างนี้พ่อฟังลูกมากขึ้นนะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกดีขึ้นแล้วเขาก็ฟังพ่อมากขึ้นด้วยเขาก็แปลกใจเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรมากนะเขาเพียงแต่ทำใจออลูกไม่ใช่ของเรา จะไปคาดหวังอะไรเขามากเราก็แค่ดูแลซัพพอร์ตสนับสนุนเขาบอกว่าลูกเนี่ยพอคิดแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาก็เกิดขึ้นนะก็คือกดดันลูกน้อยลงฟังลูกมากขึ้นจนกระทั่งลูกนี้กลับมาทักพ่อพ่อเปลี่ยนไปฟังลูกมากขึ้นพอลูกรู้สึกว่าพ่อฟังเขาเนี่ยเขาก็จะฟังพ่อมากขึ้นด้วย สิ่งที่เกิดขึ้ น, ขนขเขาคือว่าความสัมพันธ์เขากับลูกก็ดีขึ้นและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็สบายใจหายเครียดเขาเลยมาขอบคุณนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคือคือว่ามีความหวังในตัวเขาแต่อยาา่าคาดหวังนะแล้วก็รู้จักวางเขาไปจากใจบ้างนะวางเขาลงจากใจบ้างหรือวางเขานะออกจากหัวบ้างนะพอเป็นงานเนี่ยมันจะก่อความทุกข์ทั้งกับตัวพ่อแล้วก็ตัวลูกนะ ทั้มดนี้ถ้าพูดสรุปก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนะคนเราถ้ายึดมั่นถือมั่นมากไปเนี่ยนะโดยพอยึดมั่นถือมั่นในความคาดหวังของตัวเองนะทุกคนก็รักลูกนะหรือทุกคนก็รักพ่อแม่แต่พอมีความคาดหวังแล้วเนี่ยไม่ว่าคาดหวังในตัวลูกหรือคาดหวังในตัวพ่อแม่เนี่ยไอความรักมันจะค่อยๆหดหายมันจะกลายเป็นความกดดันเพื่อให้เขาทําตามอย่างที่เราต้องการ แทนที่จะรักเขาอย่างที่เขาเป็น ก, ก็กลายไปว่าไปคาดหวังกดดันให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการนะเช่นขยันเรียนหรือว่าดูแลสุขภาพกินอาหารที่ไม่เป็นอันตรายมันต่างกันนะระหว่างการรักเขาอย่างที่เขาเป็นกับการที่คาดหวังให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเนะี่ยอันแรกนี่เมันเป็นเรื่องความรักแบบไม่ได้เอาตัวมาศูนย์กลางนะเขาจะเป็นยังไงฉันก็ยังรักเขาภาษาสมัยใหม่เรียกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขอันนี้เป็นเมตตานี เป็นเมตตาแต่ถ้าคาดหวังเขาเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องความเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเป็นความยึดมั่นในตัวกูของกูอยากให้ เ, เข า, า, าเป็นอย่างที่เราต้องการนะมันไม่ใช่ความรักนะที่เป็นเมตตาปราถนาเขาดีแต่ว่าอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเพื่อเราจะได้มีความสุขเราจะได้มีความสบายใจมาตอบสนองความต้องการของเรามันต่างกันมากทีเดียวแล้วก็ ความคิดแบบนี้แหละที่สร้างความทุกขให้กับทั้งตัวคนที่คาดหวังแล้วก็คนที่ถูกคาดหวังะก็ฝากไว้ในพิจารณาคนะ่าคืนนี้กลบาบพรพร้อมกัน